นะโมตัสสะภะคะวะโวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เรานั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชิมานิกายธรรมเจตยสสตรว่าด้วยธรรมเจดีมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมของพวกเจ้าสากะยะที่ชื่อว่าเมทลุ ป, ปะในแกลนสักกะก็ในสมัยนั้นแหละ พระเจ้าเประเรนที่โกศลเสด็จไปถึงนครกณิคมด้วยพระราชกรณียกิจบางอย่างขาะนั้นท้าวเธอรับสั่งกะที่ค้าการายณนะเสนาบดีว่าท่านกรายณนะผู้สหายท่านจงเตรียมยานที่ดีๆไว้เราจะไปดูภูมิภาคอันดีในพื้นที่อุทยาน ที่ขาการยานะศรนาบดีนั้นรับสนองพระราชดำรัสแล้วให้จัดเตรียมราชรถที่ดีๆไว้แล้วกราบทูลกับพระเจ้าเปรเสิเนกศลในลำดับนั้นพระเจ้าเปรเสิเนกศลก็เสด็จขึ้นทรงยานพระที่นั่งอย่างดีนั้นเสด็จออกจากนาครกนิคมโดยกระบวนพารราชยานอย่างดีๆ ด้วยพระราชานุภาพอันยิ่งใหญ่สเสด็จไปยังสวนอันรื่นรมสเสด็จพระราชดำเนินด้วยยานพระที่นั่งจนสุดภูมิประเทศที่ยานพระที่นั่งจะไปได้จึงสเสด็จลงส่งพระดำเนินเข้าไปยังสวนสเสด็จพระราชดำเนินเที่ยวไปไปมามาเป็นการพักผ่อนได้ทอดพระเนตรเห็นต้นไม้ล้วนน่าดู ชวนให้เกิดความปอ่งใสเงียบสงัดปราศจากเสียงอื้อเอิญปราศจากคนสัญจรไปมาควรแกการงานของมนุษย์ที่จะพึงทํำในที่ลับสมควรเป็นที่อยู่ของผู้ต้องการความสงัดแล้วทรงเกิดพระปีติปรารบพระผู้มีพระภาคว่าต้นไม้เหล่านี้นั้นล้วนหน้าดูชวนให้เกิดความปร่งใส สงัดเงียบปราศจากเสียงอื้ออึงปราศจากคนสัญจรไปมาควรเป็นที่ทําการรับของมนุษย์สมควรที่จะเป็นที่อยู่ของผู้ต้องการความสงัดเหมือนดนังว่าจะเป็นที่ที่เราเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ในลําดับนั้นแลพระเจ้าประเสริฐนิโคสลจึงรับสั่ง กะทีคะการยนะเสนาบดีว่าท่านทีคะการยนะผู้สายต้นไม้เหล่านี้นั้นล้วนหน้าดูชวนให้เกิดความปองใสใยสมควรเป็นที่อยู่ของผู้ต้องการความสงัดเหมือนนั้ว่าเป็นที่ที่เราเข้าไปเฝ้ารับผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทีคะการยนะผู้สาย เดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนหนอข้าแต่มาราชมีนิคมของพวกเจ้าสากะยะชื่อเมทลุ ป, ปะเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคหันต า, ส, าสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะนิคมนั้นพระเจ้าข้าท่านกะะนะัลยาณะก็นิคมของพวกเจ้าสากะยะชื่อว่าเมทลุ ป, ปะ อยู่ห่างจากที่นี่เพียงไรข้าแต่มาราชะไม่ไกลนักระยะทางประมาณสมโยต์หาเสด็จถึงได้โดยไม่ถึงวันพระเจ้าขาท่านการยนะผู้สายถ้าเช่นนั้นท่านจงเทียมยานที่ดีๆไว้เราจะไปเฝ้าพระผู้มีร พ, พระภาคพระองนั้นในที่นั้นดีครการยนะใชหนาบดีก็ได้ทำดังนั้น ละแบบนั้นพระชาตพระเศ น, นิโศสก็เสด็จขึ้นทรงยานพระที่นั่งอย่างดีเสด็จจากนครกานิคมโดยกระบวนพระราชยานอย่างดีเสด็จไปยังนิคมของพวกเจ้าสักยะที่ชื่อว่าเมธลุ ป, ปะถึงที่นั่นโดยไม่ถึงวันจึงเสด็จเข้าเบียงสวนเสด็จพระราชดำเนินด้วยยานพระที่นั่งจนไปถึง สุดภูมิประเทศที่ยานนั้นจะไปได้จึงเสด็จลงจากยานพระที่นั่งแล้วทรงดำเนินเข้าไปอย่างในสวนก่อนสมัยนั้นและพิสุปเป็นนั้นมากเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งขณะนั้นพระเจ้าเปรตที่ก่อนเสด็จเข้าไปหาภิกสุเหล่านั้นแ ล, ล้วตรัสถามพิสุเหล่านั้นว่าเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ระทับอยู่นนที่ไหนพิสูจ์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ตอบว่ามหาภพิษนั่นพระวิหารแต่ว่าประตูปิดเสียแล้วเชิญมหาภพิษเงียบเสียงค่อยๆเสด็จเข้าไปถึงระเบียงแล้วส่งกระแอมที่ประตูเข้าเถิดพระผู้มีพระภาคจะส่งเบิดประตูรับมหาภพิษลำดับนั้น พระชาประเศสนิโขศลทรงมอบพระแสงขันคือดาบและพระอุณหิตคือกรอบหน้าแก่ทีฆาการยานะเสนาบาดีในที่นั้นคระนั้นทีฆะการยานะเสนาบาดีก็มีความดํางริว่าแบบ น, นี้มหาราชาจะทรงปรึกษาความลับเราควรจะยืนอยู่ในที่นี้แหละลําดับนั้นแหละพระชาปเศสนิโขศล ทรงเงียบเสียงเสด็จเข้าไปทางพระวิหารซึ่งปิดประตูอยู่ทรงค่อยๆเสด็จเข้าไปถึงพระระเบียงทรงกระแอมขึ้นและเคาะที่ประตูพระผู้มีพระภาคทรงเปิดประตูขึ้นลำดับนั้นพระเจ้าเปร์เซนที่ก่อสนจึงเสด็จเข้าไปยังในพระวิหารสบศีรษะลงที่เบื้องบาทรของพระผู้มีพระภาค ทรงจูบที่เท้าและทรงนวดที่เท้าด้วยมือของพระองค์และทรงกล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญม่อมฉันคือพระชาประเสนที่โกศลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันคือพระชาประเสนทนิโกศลในที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าหมาปพิษหมาปพิษทรงเห็นอำนาจประโยชน์อะไร จึงทรงกระทำการเคารพนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งเห็นบานนี้ในสรีระนี้จะทรงแสดงอาการฉันมิตรในที่นั้นพระเจ้าพระเศนนิโกศลได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมั่งชันมีความเลื่อมใสในพระธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมจันได้เห็นสมณบารามีพวกหนึ่งประพฤติปรมจันทร์อย่างเร่งครัดได้สิปีบ้าง20ปีบ้าง30สปีบ้าง40สปีบ้างสมัยอื่นสมณบารามีพวกนั้น ก็กลายเป็นผู้อาบอย่างดีรูปทายอย่างดีแต่งผมแต่งนวดอิมเออร์เพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าให้เกาะบัมเมรอรอยู่ส่วนภิสูจ์ในธรรมไว้ไหนนี้มัมฉันเห็นปะพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตจนกระทั่งหมดลมหายใจข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมัมฉันไม่เห็นพรหมจรรย์อื่น ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้นอกจากปรหม่อมฉันนี้นี้แหละเป็นข้อสังเกตของหม่อมฉันในพระผู้มีพระภาคข้าแต่รุ่งผู้เจริญแม้ข้อนี้ก็เป็นความเลื่อมใสในพระธรรมในพระผู้มีพระภาคของหม่อมฉันว่าพระผู้มีพระภาคเป็นอรันตะส ม, มารสุทธพระธรรมเป็นสวากาตตะและสงสาวก ของพระผู้มีพระภาคเป็นสุปฏิปันธ์แค่แต่พระงผู้เจริญก็อื่นยังมีอีกพระราชาก็ยังวิวาทกับพระราชาด้วยกันกษัตริย์ก็ยังวิวาทกับกษัตริย์แม้พราหมณ์ก็ยังวิวาทกับพราหมณ์กัลยบดีก็ยังวิวาทกับกัลยาดีมารดาก็ยังวิวาทกับบุตรบุตรก็ยังวิวาทกับมารดา บิดาก็วิวาสกับบุตรบุตรก็ยังวิวาสกับบิดาพี่น้องชายก็ยังวิวาสกับพี่น้องหญิงพี่น้องหญิงก็ยังวิวาสกับพี่น้องชายแม้สายก็ยังวิวาสกับสายส่วนในรมชาจารย์ น, นี้มอมฉันเห็นภิกษุทั้งหลายเป็นผู้พร้อมเปลี่ยนกันเบิกบ้านต่อกันไม่วิวาสกัน เข้ากันได้สดิ์ดังน้ำเชื่อกับน้ำนมสดมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร้กันเป็นอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่เห็นบริษัทอื่นที่จะพร้อมเปลี่ยงกันถึงขนาดนี้นอกจากบริษัทนี้แม้นี้ก็เป็นความเลื่อมใสในธรรมะในพระผู้มีพระภาคกองหม่อมฉันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็อื่นยังมีอีกมอมฉันเที่ยวไปเนืองๆจากอารามนี้สู่อารามนั้นจากสวนนี้สู่สวนนั้นได้เห็นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งสู้ผอมเศร้าหมองผิวผันสามผอมเหลืองสบรังไปด้วยเส้นเอ็นเห็นจะไม่ประสงค์มองดูไกลเสียเลยมอมฉันก็มีความคิดว่าท่านพวกนี้คงฝืนใจ ประพฤติพรมจรร์เป็นแน่หรือไม่เช่นั้นก็ยังมีบาปอย่างหนึ่งซึ่งท่านเหล่านี้ทำแล้วปกปิดไว้จึงเป็นผู้สูผ้ผอมเศร้าหมองผิวพันซามผอมเหลืองตัวสารังไปด้วยเสน็นเ์เรากับไม่ประสงค์มองดูใครเสียเลยหม่อมจันจึงเข้าไปหาแล้วถามว่าเหตุใดจึงเป็นดังนั้นท่านเหล่านั้นก็ตอบว่า ข้าแต่มหาราชะพวกเรามีโรคอันเนื่องมาเป็นเผ่าพันธุ์หนังนี้ส่วนภิษสูในรร ม, มาวิ น, น, นัยนี้มอมฉันเห็นท่านร่าเริงและรื่นเริงซอความรู้สึกภายในใจอันสูงขึ้นและสูงขึ้นมีรูปหน้าปลื้มใจมีอินทรีย์ชุ่มชื่นมีความขวนขวายน้อยมีขนอันตกราบ คือไม่สะดุ้งกลัวมีชีวิตเป็นไปด้วยของที่ผู้อื่นให้มีใจอ่อนโยนบอมฉันเห็นแล้วมีความคิดว่าท่านเหล่านี้คงรู้คุณวิเศษอันโอราณในศาสนาของพระผู้มีพระภาคยิ่งขึ้นกว่าเก่าๆเาป็นแน่จึงเป็นดังนั้นแ็แต่พระองค์ผู้เจริญแม้นี้ก็เป็นความเลื่อมใสในธรรมะ ในพระผู้มีพระภาคก็หม่อมฉันกแต่พระองค์ผู้เจริญก็อื่นยังมีอีกหม่อมฉันเป็นกรรษัตริย์ผู้ได้รับบุรุษตาพิเศษแล้วมีอำนาจพอเพื่อให้ฆ่าคนที่ควรฆ่าให้ริบคนที่ควรริบขับคนที่ควรขับก็จริงแต่เมื่อนั่งวินิจฉัยคดีจนทั้งหลายอย่างอึกทึกกลบเสียงหม่อมฉันเสียเป็นระยะระยะ มอมฉันจะห้ามว่าท่านทั้งหลายพวกท่านอย่า ก, กลบเสียงของเราผู้นั่งวินิจฉัยคดีให้ตกไปเป็นระยะระยะเลยจงรอให้เราจบถ้อยคาของเราเสียก่อนดังนี้ก็ไม่ไหวเขาเหล่านั้นก็ยังคงอึกระทึกกลบเสียงมอมฉันเชื่โดยครังกล่าว่วนภิกษุในธรรมวินไหนี้มอมฉันเห็นไม่มีเสียงจาม หรือเสียงไอเลยในเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมแก่บริษัทผู้นั่งฟังเป็นจำนวนหลายร้อยที่เลื่องมาแล้วแต่หลังเมื่อพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมแก่บริษัทจำนวนหลายร้อยถ้าสาวกคนหนึ่งคนใดในที่นั้นไอขึ้นเพื่อนผู้ประวิติปรมาจารย์ด้วยกันก็จะกระทบเข่าด้วยเขาเพื่อให้รู้สึกว่า ท่านจงมีเสียงน้อยท่านอย่า ก, กระทำเสียงดังพระผู้มีพระภาคศาสนาของพวกเรากำลังแสดงธรรมดังนี้มอมฉันมีความคิดว่าน่าสะใจจริงๆไม่เคยมีเลยบริษัทที่มีความเรียบร้อยดีอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้อาจยาหรือศาสตราเลยก็แต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันไม่เห็นบริษัทอื่นที่เรียบร้อยอย่างนี้ นอกจากบริษัทนี้แม้นี้ก็เป็นข้อสังเกตของหม่อมฉันเป็นความเลื่อมใสในพระตรรมในพระผู้มีพระภาคของหม่อมฉันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งหม่อมฉันได้เห็นคติยะบัณฑิตพรามบัณฑิตก้ารับบดีบัณฑิตหรือสมณะบัณฑิตบางพวกในโลกนี้ มีปัญญาเฉียบแหลมจำนานการโตวาตะมีความเชี่ยวชาญดุดนายขมังตนูผู้สามารถยิงถูกขนทรายดูเหมือนเที่ยวทำลายความเห็นของผู้อื่นด้วยปัญญาของตนต่นนั้นบัณฑิตเหล่านั้นได้ยินกล่าวว่าพระสมณโคดมจะเสด็จแวะบ้านหรือนิผมชื่อนโน้นก็ตราสเตรียมปัญหาและอวดอ้างว่า เราจะเข้าไปถามปัญหานี้กับพระสมณโคดมถ้าเธอถูกถามแล้วตอบอย่างนี้เราจะหักล้างวาทะของเธอานั้นด้วยวาทะอย่างนี้อย่างนี้แม้ถ้าเธอถูกถามแล้วตอบอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเราก็จะหักล้างวาทะของเธอด้วยวาทะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉะั้นเ่าเหล่านั้น กาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆพระผู้มีพระภาคย่อมชี้แจงให้เห็นชอบให้ลงใจเชื่อให้มีความอาฐานให้ร่าเริงด้วยธรรมิกถาท่านบัณฑิตเหล่านั้นเลยไม่ถามปัญหาฉไนันจักได้คมขี่วาท้าเล่าย่อมพากันเข้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคโดยแท้และบางพวก ขอโอกาสเพื่อบรรจาร์เอาอจากเรือบนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วพระผู้มีพระภาคก็บรรจาร์ให้มนตร์เ่านั้นเป็นบนรรจุชิตแล้วลีกออกจากหมู่เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเปลี่ยนเผากิเลสมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ก็แต่ไม่แจ้งได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งที่สุดแห่งการปฏิบัติอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่า อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเราคุรุบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบในพบปัจจุบันอันตนเห็นอยู่แล้วนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมได้ท่านเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่ขยี้หัวใจของเราอีกต่อไปแล้วจึงอยู่เมื่อก่อนเราไม่เป็นสมณนะก็ปฏิ ญ, ญาตนว่าเป็นสมณนะ ไม่เป็นปรามก็ปฏิ ญ, ญาตนว่าเป็นปรามไม่เป็นพระอาหารหันต์ก็ปฏิ ญ, ญาตนว่าเป็นพระอาหารหันต์แต่บัดนี้เราเราเป็นสมณะคือผู้สงบเราเป็นพรามคือผู้ลอยบาปเราเป็นพระอาหารหันต์โดยแท้นนี้ก็แต่พระองค์ผู้เจริญแม้นี้ก็เป็นข้อสังเกตของหม่อมฉันเป็นความเลื่อมใสในธรรมะ ในพระผู้มีพระภาคของหม่อมฉันแต่พระองค์ผู้เจริญก็อื่นยังมีอีกมีช่างไม้สองคนชื่ออีสีิทันตะและบุรนะทั้งสองนายนี้กินข้าวของหม่อมฉันใช้ยวดยานพานะของหม่อมฉันหม่อมฉันให้เบี้ยเลี้ยงชีพให้ยศศักดิ์แก่เขาแต่เขาจะมีความครบในหม่อมฉัน เท่าที่มีในพระผู้มีประภาค ก, ก็หาไม่เรื่องเคยมีมาแล้วคือมอมฉันยกกองทัพออกไปกำจัดค่าศึกเมื่อจะทดลองช่างไม้สองคนนี้จึงเข้าไปพักในที่ครับแค่แห่งหนึ่งเพื่อเห็นกันได้โดยใกล้ชิดเขาทั้งสองค่าเวลาด้วยการสนทนาธรรมเกือบค่อนรุ่งแล้วนอนหันศีรษะ ไปทางทิศที่เขาได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าระทับอยู่เยียดท้ามาทางหม่อมฉันขต่พระองค์ผู้เจริญหมอมฉันมีความรู้สึกว่าน่าสะจันจริ ง, รงไม่เคยมีเลยช่างไม้ทั้งสองคนกินข้าวของเราใช้ยานพานักของเราเราให้เบี้ยเลี้ยงชีพและให้ยศศักดิ์แก่เขาแต่เขาหามีความครรบในเรา เท่าที่เขามีในพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เฉลรอยทั้งสองคนนี้จะรู้ถึงคุณวิเศษอนุรานในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพิ่มขึ้ น, เ พ, นเพิ่มขึ้นเป็นแน่ข้าแต่พระงคผู้เจริญแม้นี้ก็เป็นข้อสังเกตของหม่อมฉันเป็นความเลื่อมใสในธรรมะในพระผู้มีพระภาคเจ้าของหม่อมฉัน ้แต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเป็นกษัตริย์มอมฉันก็เป็นกษัตริย์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นชาวโกศลมอมฉันก็เป็นชาวกโาวกศลพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชนมายุ8ปสิปีมอมฉันก็มีพระชนมายุ8ปสิปีด้วยเหตุนี้เองมอมฉันจึงควรทำความเคารพอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคเจ้า ควรแสดงอาการเป็นดั่งมิตรแค่แต่พระองค์ผู้เจริญบอมฉันขอทูลลาไปณบัด น, นี้บอมฉันมีกิจมากมีกรณีกิจมากในที่นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบดังนี้ว่าม้าพพิษม้าพิพิจงทราบการอันควรในบัด น, นี้เถิดลำบัดบบบนั้นรประชาชนนิโกศลก็เสด็จลุกจากที่วรรตับทรงถวายอภิวาส พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็กระทำประทักษิณเสด็จหล็กไปครั้งนั้นแลเมื่อพระเจ้าพระเศรนิโกศนเสด็จไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าพระเศรนิโกศนพระองค์นี้ตรัสธรรมเจดีคือพระวาจากรลบธรรมทรงลุกจากที่ประทับนั่งแล้ว เสด็จหลีกไปพิสุทั้งหลายเธอจงเรียนธรรมเจดีนี้ไว้จงรงจาธรรมะเจดีนี้ไว้ธรรมเจดีนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งบรมจันทร์เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้แล้วพิสุททั้งหลายเหล่านั้นชื่นชมยินดีในภาะจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมเจติยสูตรจบ มีในอีกสมัยหนึ่งในอังคุลิมาลสูตรที่พระชาประเศสนิโกสนตรัสกับพระผู้มีพระภาคว่ากาแต่พรุ่ง์ผู้เริญกษัตริย์พิมพิสารหรือกษัตริย์ลิชวีหรือพระราชาปฏิปักเหล่าอื่นก็หาได้กระทํหม่อมฉันให้ขัดใจได้ไม่หากแต่ว่ามีโจรชื่ออังคุลิมา โดยขึ้นในแว่นแคว้นของหม่อมฉันเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดมุ่งมั่นอยู่แต่ในการประหัตประหารไม่มีความกรุณาปรานีในสัตว์ทั้งหลายอังคุลิมานจโจนั้นกระทำหมู่บ้านไม่ให้เป็นหมู่บ้านกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทเขาฆ่าแล้วฆ่าอีก ซึ่งมนุษย์นำนิ้วมือมาทำเป็นมาลายแกวนไว้มอมฉันจะกำจัดมันเสียหมาปะพิษถ้าหมาปะพิษจะได้ทรงเห็นอังกุลิมานปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ายอมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเว้นขาดจากการฆ่าการลักขโมยการพูดเท็จเป็นผู้มีการใชนอาหาร วันหนึ่งหนเดียวประพฤติประมาจันมีศีลมีกริยธรรมมีศีลมีกิริยธรรมดังนี้แล้วพระองค์จะทรงทำอย่างไรเล่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญมอมฉันก็จะพิวาทลุกรับและนิมนต์หรือเชื้อเชิญด้วยจีวรบินนาบาดเศนาสะนะยิลานะ้ปัจใจเบสัตบริการทั้งหลาย หรือจากจากการรักษาป้องกันคุ้มครองอย่างเป็นธรรมพระเจ้าข่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แต่ว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรที่คนทูศีลมีทำอันลามกจะกลายเป็นผู้สมรุมด้วยศีลอย่างนี้พระเจ้าข้าม้าบพิษนั่นองคุลีมานอยู่นั่นในที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระเจ้าเปอร์เซนที่โกรธสน กลัวจนลมาชาติจูชันคือคนลุกสู้จึงได้ตรัสว่ามาบพิอยาได้กลัวเลยหมาบพิอยาได้กลัวเลยภัยไม่มีแล้วจากองคุลิมานนี้แล้แบบนั้นพระเจ้าเปรตที่กุศลทรงระงับความกลัวแล้วเข้าไปทำความคุ้นเคยกับภิกษุอังคุลิมานทรงบรวรณานด้วยปัจจัยทั้งสี่ แต่พระเถระปฏิเสธเพราะเป็นผู้สมาทานตุดงพระเจ้าเปรเซนทิโกสนได้กลับมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าสะใจจริงข้อนี้ไม่เคยมีมาเลยคือข้อที่พระผู้มีพระภาคทรงท ร, รมานบุคคลที่ใครๆท ร, ร, รมานไม่ได้ทรงกระทําให้ระงรับซึ่งบุคคลที่ใครๆทําให้ระงรับไม่ได้ สรงกระทาความดับเย็นแก่บุคคลผู้อย่างไม่ดับเย็นแต่แก่ข้อที่หมอมฉันไม่สามารถจะทรมานผู้ใดด้วยอาจยาด้วยสาธาผู้นั้นพระผู้มีพระภาคทรงทรมานแล้วโดยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้สาธาดังนี้ฟังทำคําพุทธะ